สมณเณรมีใครรู้จักบัตรเอ m ีเอมบ้างบัตรเอ m รู้จักใช่ไหมแล้วใครมีบัตรเ t m เบ้างหรือเปล่าหรือหลวลงพ่อนี่รู้จักนะบัตรเอทเมแต่ว่าไม่เคยมีเพราะว่าตอนที่ยังไม่บวชนี่ มันยังไม่มีบัตร ATM ีบวชแล้วเนี่ยมันจึงมีบัตร ATM และเป็นพระนี่มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM อยู่แล้วรู้จักบัตร ATM แล้ว ร, รู้จักตู้เอทอมไหมอยู่ไหนเหรอบางทีตู้เอทีเอ็มนี่ไม่ได้อยู่ไหนนะอยู่ที่บ้านเราอะตู้ ATM เอนี่ยอยู่ที่บ้านเรารู้ไหม โยมพ่อโยมแม่เนั่นแหละเป็นตู้ a อ m เเคลื่อนที่คันเอาตามไปฝาก้นที่เสียโทรมาเอาเิไปเ้าบี่หนไปแล้วผมทผมไม่ได้แล้วอนัก็ดเออนั่นแหละเดี๋ยวพเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าเรื่องของบัตร ATM นะฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ตอนก็นคืนเนี่ยจะขับรถไปเยี่ยมพี่ชายจะขับรถไปเยี่ยมพี่ชายกลางทางก็แวะที่ตู้ ATM ที่แรกตั้งใจจะไปเบิกเงินแต่พอไปถึงปรากฏว่ามันมีบัตร A อเอมอยู่ใบหนึ่งใส่ซองเอาไว้ พาไว้ตรงนั้นแหละและแถมหลังซองนี่ก็มีรหัส ATM ด้วยชายคนนั้นก็เลยบอกภรรยาซึ่งมาด้วยว่าเนี่ยผมได้ผมเห็นบัตร ATM พร้อมรหัสภรรยาก็บอกว่าลองกดดูดีไหมจะได้รู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่ถ้าเป็นเร า, าถ้าเป็นสามเรเนี่ยได้ เห็นบัตร ATM ของใครไม่รู้เนี่ยวางอยู่ใกล้ๆพร้อมกับรหัสนี่จะทำยังไงเอาไปคื น, คนใช่ไหมไแต่ว่าภรรยาของชายคนนี้บอกลองกดดูหน่อยอยากจะรู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่สามีตอบว่ายัางไงสามีตอบว่ารู้ไปทำไม นะมันไม่ใช่เงินของเรารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งพอเรากดนะพอเรากดบัตรเอทเอมของเขานะมันก็มีบันทึกอยู่ในจอมันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมแล้วเกิดว่าเงินในบัญชีของเจ้าของบัตรเนี่ยเกิดหายขึ้นมานี่เขาก็จะมาเอาเรื่องเราได้หาว่าเรากดเอาเงินเขาอย่า ก, กันนั้นเลย นะเราอย่าไปยุ่งกับบัตร ATM นี่เลยวางไว้ที่เดิมนะเพราะว่าใครเป็นเจ้าของก็ไม่รู้มันเป็นที่สาธารณะชายคนนั้นก็เลยเอาซองที่ใส่บัตร ATM นั้นเนี่ยวางไว้ที่เดิมแล้วก็ขับรถไปเยี่ยมพี่ชายพอถึงบ้านพี่ชายก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง พี่ชายบอกว่าโหนี่โชคดีนะเนี่ยมีคนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะที่ไม่ยอมแตะต้องบัตรเอทเอมเนี่ยส่วนใหญ่นี่ตกเป็นเหยื่ออย่างเพื่อนของพี่ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยตอนกลางคืนแล้วก็เลยกดนะตามรหัสที่ได้มาที่เห็นไม่ได้เอาเงินไปเลยนาแค่ กดเล่นนะบอกว่าหนึ่งนาทีเท่านั้นแหละผ่านไปตำรวจมาเลยแล้วก็มาจับเขาแล้วสักพักนี้ก็จะมีผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบัตนเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยเงินเขาหายไปก็โทษว่าเนี่ยเพื่อนพี่ชายเนี่ยะนะเอาเงินไปสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าเสียหายนะ เป็นการปิดคดีจ่ายไปสาม0มื่นบาทจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่กดเฉยๆเพราะอยากรู้อยากเห็นว่าเจ้าของบัตรมีเงินเท่าไหร่แต่ก็มีบางคนนะมีความโลภนะพอเห็นบัตรเอทีเอ็มของใครไม่รู้ ตกอยู่แถมบอกรหัสไปด้วยก็ ค, คิดว่าเหมอลาบลอยแล้วกดเพื่อจะเอาเงินรอก็ว่าถูกหลอกนะเพราะเขาจ้องอยู่แล้วเขาดักรออยู่แล้วว่าใครเนี่ยจะเอาเงินของเขาไปหรือแม้จะไม่เอาเงินแค่กดดูบัญชีกดดูเงินในบัญชีก็เสร็จเขานะ แล้วก็สงสัยว่าตำรวจหรือคนที่แต่งตัวเป็นตำรวจนี่จะมีส่วนด้วยเพราะว่าแค่กดไม่ถึงนาทีเลยมาเลยนะมาทันทีเลยพร้อมกับเจ้าของบัตรซึ่งอ้างมาเป็นผู้เสียหายสรุปเรื่องนี้เนี่ยนะเขาอ่อยเหยื่อหรือว่าเขาวางเบ็ดล่อและส่วนใหญ่ก็ได้ผลหลายคนก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินหรือขโมยนะ แต่อยากรู้อยากเห็นอย่างภรรยาของผู้ชายคนนี้เขาบอกเนี่ยลองกดดูสิอยากรู้ว่าเ้ามีเงินแต้มนชีเท่าไหร่รู้ไปมีประโยชน์ไหมอันเนนรู้ไปมีประโยชน์ไหมไม่มีแต่หลายคนเนี่ยพอด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยกดพอกดปุ๊บนี่เสร็จเลย ิจฉาชีพมีนเขาก็รู้นะว่าคนเราเนี่ยมันมีความอยากรู้อยากเห็นนะหรือมีความโลภสองอย่างไอความอยากรู้อยากเห็นนี่มันเป็นอันตรายนะมีลิงฝูงหนึ่งนะมันก็ดูบนต้นไม้มันไม่ยอมลงมา เพราะข้างล่างเนี่ยมีเสือตัวหนึ่งเสือโครง่งเสือโคร่งเนี่ยมันหิวมันก็อยากจับลิงเป็นอาหารกินเป็นอาหารแต่มันขึ้นต้นไม้ไม่ได้ไม่เหมือนเสือดาวนะเสือดาวนี่ยังขึ้นได้กระฉับกระเชงแต่เสือโคร่งนี่ตัวนี้มันแก่แล้วมันปีไม่ไหวมันอยากกินลิงทำไงจะให้ถึงจะกินลิงได้ต้องล่อให้ลิงลงมา จากต้นไม้มันมีวิธีนะล่อลิงให้ลงจากต้นไม้ทํายังไง ร, รู้ไหมเนรู้ไหมมันทํำยังไงไม่ใช่เสือมันไม่รู้จักกล้วยเสือนี่มันก็แอบอยู่ในพุ่มไม้แล้วมันก็โผล่หางมา <c oughs> โผล่หางมาหามก็ดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กดิ๊นะไอ้ลิงเนี่ยมันเห็นหางมันไม่รู้ว่าหางอะไรแต่หามันก็ดิกได้ มันอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันก็ลงมาจากต้นไม้แล้วก็ค่อยๆย่องมาดูใกล้ๆว่ามันอะไรเสือนี่พอเห็นลิงเข้ามาใกล้นะมันก็รีบโดดตะปบลิงลิงตายเลยและเสือก็ใช้วิธีนี้กับลิงฝูงเล่าฝูงเล่าสำเร็จ เพราะว่าอะไรเพราะว่าลิงเนี่ยมันอยากรู้อยากเห็นไอ้ความอยากรู้อยากเห็นนี่บางครั้งก็เป็นอันตรายนะความอยากรู้อยากเห็นนี่ไม่เหมือนกับความใยรู้นะใยรู้เนี่ยเช่นไยรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใยรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันคือความเข้าใจว่ารู้ไปทำไมชัดเจนว่ารู้ไปเพื่ออะไรเห็นประโยชน์ของความรู้มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ สามเณรเนี่ยควรจะมีความใฝ่รู้นะแต่ว่าให้ระวังความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นนี่มันทำให้คนเดือดร้อนไม่เยอะแล้วไม่ใช่แค่กรณีนี่กรณีเดียวที่เล่านะอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะจู่ๆก็มีผู้หญิงเนี่ยมาแอดขอเป็นเพื่อนในไลน์เป็นหญิงสาวสาวจริงหรือเ่าไม่รู้นะไอ้เป็นผู้ชายก็ได้แต่อ้างว่าเป็นผู้หญิง พอคุ้นเคยกันเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่อยากดูอะไรไหมถ้าอยากดูนี่นะจะให้ดูทางเฟซ ส, สดนะดูทางไลฟ์สดแต่ให้กดลิงก์นะกดลิงก์เนี่ยนะเดี๋ยวจะได้เห็นของดีทรายนันนี้อยากดูอยากเห็นนะกดลิงก์ไปเลยนะบอกว่าโดนโดนแทกเลยนะ มิจฉาชีนี่มันเอาลิงก์มาล่อเอ้แม่มันเอาความอยากรู้อยากเห็นมาล่อไอคนที่อ้างตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชายเนี่ยของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพอกดลิงก์เข้าไปนะเสร็จเลยสามเด็นต้องระวังนะบางทีมันมีคนมาพวกเราใช้ไลน์บ้างก็มา หรือใช้เฟซบ o ๊กเอาบ้างก็แบบใช่เลยเออระวังนะเดี๋ยวมีใครคนต่างหน้ามาบอกว่าอยากเห็นอะไรดีๆไหมอยากดูอะไรดีๆไหมนะหรือว่าบางทีก็เอากิเลศมาล่อดนะมีเกมดีๆนะฟรีนะมีเกมดีๆให้เล่นฟรีนะสนใจกดลิงก์นะ ความโลภ ก, ก็ทำให้คนกดลิงก์หรือความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้กดกดลิงก์เพราะว่าโดนหลอกถ้ามีเงินในธนาคารเงินก็หายหมดมมเพราะอะไรเพราะความอยากรู้อยากเห็ น, ม, ม, นมันก็หลอกเราอย่างอื่นเรามีของดีให้มันหลอกอาจจะลักพาตัวไปก็ได้ไลักพาตัวไปเลยไปเรียกค่า ถ, ถ่ายจากพ่อแม่หรือทำไม่ดีมีลาย นะเพราะนั่นนี้ต้องระวังนะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยใยรู้นี่ดีนะแต่อยาอยากอยาอย า, อยากรู้อยากเห็นนะเดี๋ยวจะจบลงเอยเหมือนกัะลิงตัวนั้นเนี่ยที่มันไม่อยากรู้ว่าไอหางดิบๆเนี่ยคืออะไรนะเสร็จท้ายสุดท้ายมันก็ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งถูกกินเป็นพักสาหามมันมีอะไรที่จะมาล่อให้เราอยากรู้อยากเห็นเยอะเลยนะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องดาราคู่จิ้นนะ ดาราคนนี้เขามีใครเป็นแฟนก็มีใครเป็นคู่จิ้นอยากรู้ไปนะเสียเวลาไม่มีประโยชน์ไยรู้ดีกว่าใยรู้เรื่องธรรมะใยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไยรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ทำสมุนไพรดีกว่า